พอเห็นความสามัคคีนะพักก็ช่วยกันรับผิดชอบดีสบายอกสบายใจญาติโยมก็รู้จักหน้าที่แบ่งการแบ่งงานกันเนี่ยพอเราเอาทำยกทำขึ้นมาแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นธรรมธรรมะในใจเราก็เจริญนะความเป็นอยู่ก็ราบรื่นเอามีธรรมอาศัยธรรม อ า, อาศัยกิเลสว่ามันไม่ได้เลยนะกิเลสนิดนึงก็หุ่นวายเดือดร้อนทันทีเรายกธรรมขึ้นมามันยากลําบากขนาดไหนเราก็พยายามเพือ่อย่าใช้ธรรมมาพอภายนอกเนี่ยมันเป็นธรรมภายในมันก็เป็นธรรมเพราะสิ่งต่างๆมันต้องออกมาจากจิตทีนี้จิตของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นธรรมแต่ว่าเราก็อาศัย ธรรมะข้างนอกคือคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกรอบมาเป็นทางดําเนินมันก็อยู่ในกรอบของธรรมทีนี้พอมีธรรมะเป็นกรอบแล้วจิตของเรามันจะไหลไปทางอื่น่ะไปทางกิเลสทางตัณหามันก็น้อยลงไปเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งแวดล้อมมันสบายขึ้นมันก็ได้เปรียบเทียบนะถ้าหากว่า ที่ไหนก็ตามนะหรือใครก็ตามถ้าใช้กิเลสน้ำหน้าเมื่อไหร่อ่ะมีปัญหามีความเดือดร้อนมีความวุ่นวายทันทีเลแต่ถ้ า, าว่าใช้ธรรมะนะโอ้ธรรมะเนี่ยมันจะโปร่งโล่งมันจะเบามันจะสบายเนี่ยยิงจิตใจที่มีธรรมเนี่ยเวลาแสดงออกมามันก็เป็นธรรม มันออกมาจากจิจจากใจนะถ้ารวจใจเรามันยังมีกิเลสอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคนเราอะ่ะถ้ายังไม่หมดกิเลสยังไม่เป็นโพรหันเนี่ยมันก็ยังมีกิเลสแต่ที่นี้เราใช้ทำเหมือนกับพระพุทธเจ้าเวลาท่านตัดเนี่ยทางคําสอนของท่านก็คือทำวินัยทำวินัยเนี่ยจะเป็นาศาสดาแทนเราตถาคต ไม่ใช่ตั้งองค์นั้นองนี้นะเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าทีนี้เวลาเราทำอะไรเราก็เอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเอาหลักวินัยของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเราชีวิตของเรามันก็จะดีขึ้นเพราะเราเนี่ยได้หลักหลักจากจิตจากใจของเราที่อาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินไป แต่ทีนี้ทำไมอ่ะในเมื่อทำมันดีอ่ะคนก็ไม่อยากใช้ธรรมะเพราะจิตใจเนี่ยมันพอใจที่จะทำตามกิเลสทำตามความอยากความต้องการพอมันอยากขึ้นมาแล้วมันมีอิทธิพลต่อใจมันมีแรงดึงดูดเขาเรียก ว, ว่ามันมีรสอร่อยอศาศทะแปลว่ารสอร่อย หรือว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีรสอร่อยเกิดขึ้นในจิตใจของเราพอมันอร่อยแล้วมันก็มีแรงดึงดูดอะดึงดูดแล้วเราก็ต้องอยากจะทำตามมันตามคำบงการของไอ้พวกความอยากอันนั้น่ะเราฝืนก็ไม่ได้ถ้ากำลังของเราไม่พอ นี่ท่านถึงว่าเอแถ่งทุกข์ที่มาของทุกข์เนี่ยมันมาจากตัณหานี่แหละในใจของเราเนี่ยถ้านถึงสอนให้มีสติรู้เท่าทันมันเวลาทําอะไรก็ต้องมีหลักของธรรมวินัยนั่นแหละเป็นกรอบเป็นทางดําเนินไปเป็นหลักจิตหลักใจของเราเพราะอันนั้นคือศาสดาของพวกเราทั้งหลาย พอเราใช้หลักธรรมเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันราบลื่นในใจของเราเนี่ยมันก็อดไม่ได้นะบางช่วงบางตอนมันก็มีขึ้นมาอย่างวันเนี้ยเวลาเข้ามาเนี่ยคนที่เข้าอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้อยู่ในวัดอะ่ะเขาอยู่ในโลกอะ่ะเขาทำมาหากินเขามีแต่การแข่งขันมีแต่ความอยากความต้องการอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของโลก พอเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยจะให้มันมันเหมือนคนอยู่ในวัดมันไม่เหมือนนะใ้ความอยากความต้องการของเขาวิธีการของเขาเขก็ทำไปตามตามความรู้สึกของเขาตามความอยากความต้องการของเขาตามความคิดความเห็นของเขาเราก็แค่ว่าเออให้มันสบายเสียให้มันผ่านไปเดี๋ยวเขาก็จากเราไปแล้วตอนที่เขาอยู่กับเราเอาให้แค่สบายใจ ไม่มีปัาอะไรยังไงก็ได้เดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปเราก็เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอามาฝึ ก, กจิตใจเรามาอ่านดูใจเรามาสังเกต ด, ดูใจเราทีนี้คนเราเนี่ยต่างจิตต่างใจอะ่ะเหตุปัจจัยที่เป็นมาก็ต่างกันกรรมเป็นมาต่างกันแม้นชาติปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อม นใสัยใจคออะไรการอบรมการศึกษาต่างกันหมดอ่ะทีนี้มันแสดงออกของเแสดงออกไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาคาพูดคจาจาความอยากความต้องการของเขาเราก็เกี่ยวข้องไปเพราะว่าเขาก็มาเกี่ยวข้องกับเราเราก็เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องยังไงเขาสบายใจแล้วเราก็ไม่มีปัญหาด้วยให้มันมีความลงตัวมากที่สุดเนี่ย ก็แค่นั้นเนี่ยคือผ่านไปแล้วแล้วไปเลยเพราะว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริงๆในขณะช่วงที่มันอยู่ในเหตุการ์เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเหตุปัจจัยมันทำให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นแล้วถ้ามันผ่านแล้วแล้วไปถ้าจะเอามาคิดก็เอามาคิดว่าเออจะปรับปรุงแก้ไขยังไงให้มันดีขึ้นมาหรือจะมีประโยชน์ยังไง ต่อจิตใจเราเนียเอาประโยชน์จากมันเขาอยากทําบุญมาแล้วมีศรัทธาเขาเคยมาครั้งหนึ่งมาเห็นวัดของเราเงียบสงบเห็นข้อวัดปฏิบัติเห็นคนอยู่ปฏิบัติทำเขาก็มีความศรัทธาเนี่ยเขาก็มีช่องทางที่จะทําบุญด้วยเขาก็เลยขอขอทอดผ้าป่า ก็เป็นความปราถนาดีของเขาแล้วก็พิจารณาแล้วอ๋อการที่คนเรามารวมกันแล้วก็ทําความดีต่อพระศาสนาเนี่ยเออมันไม่มีอะไรเสียหายมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มันเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันนะผู้จเจ้าก็ตัดไว้นะการที่คนเราเนี่ยทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันชักชวนกันทําบุญทําคุณงามความดี เป็นประโยชน์ต่อส่วนรว ม, นะมนวเนี่ยมีผลท่านวะเนี่ยก็คือมีอนิสงค์คือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติต่อๆไปตามที่เรายังไม่พ้นทุกข์นะอย่างท่านสอนว่าทานมีผลเออทำบุญให้ทานอย่างนี้ยมันก็มีผลผลก็คือว่าทั้งใจเราก็มีความสุขความสบายแล้วก็มีผลต่อชีวิตของเรา ต่เหตุปัจจัยการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี่แหละนี่ว่าอํานวยให้ความสุขความสบายแก่ธาตุขันท่านใช้คําเนี้ยแก่ขันของเราเนี่ยพอขันของเรามันก็ยังอยู่อ่ะถ้ามันตายจากภบนี้ไปมันก็ไปหาล่างใหม่เนี่ยมันก็ยังมีขันอยู่ทั้งรูปขันนามขั น, นไอ้บุญตัวเนี้ยมันทําให้ขันอํานวยผลดีอํานวยความสุขความสบายให้แก่ขันท่าน มันมีผลต่อต่อชีวิตของเราต่อไปทานก็ให้ผลการเส้นสวงบูชาให้ผลแต่บูชาคุณท่านพูดเอาไว้ว่าบูชาคุณแผ่นดินมีคุณพ่อแม่มีคุณเนี่ยบูชาคุณได้เทวดาบางองค์มีคุณเนี่ยอย่างเช่นเขาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองอย่างเงี้ยเขามีคุณคอยช่วยเหลือ เทวดาดีๆด้วยและลึกถึงคุณที่ทําให้เป็นเทวดาต้องมีความละอายต่อบาปแล้วก็ทำบุญรักษาศีลภาวนาพอสมควรมีจิตใ จ, ใจที่เสียสละม่ยึดไม่ติดไม่ข้องนั่นมันก็ทำให้มีคุณที่จะไปเป็นเทวดาได้ก็ต้องมีความดีพอสมควรแลวลึกถึงคุณเขาคุณความดี หรือเทวดาดีๆก็มีในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีมาถามธรรมะพระพเจ้านะบางทีก็มาถามแปลกๆนะพระเจ้าประทับอยู่ในป่าคนเดียวอย่างเงี้ยพอแสดงธรรมเสร็จแล้วอยากโยมกลับไปหมดแล้วกลางคืนนะ่ะต่อมาพระก็มาถามจนกระทั่งสี่ทุ่มสามทุมกว่าสี่ทุ่มแล้วเข้าสู่ไอ้มชิมายามแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่องค์เดียวแลวเตรียมจะพักผ่อนแล้วเทวดาก็มา แต่พระองค์ผู้เจริญนี่ยการที่พระองค์อยู่ผู้เดียวตามลําพังเนี่ยมีความเศร้าโศกบ้างไหมมีความทุกข์บ้างไหมมีความเงียบเหงาบ้างไหมก็คือถามแบบชาวโลกอะ่ะแบบคนมีกิเลส อ, อ่ะโหอยู่คนเดียวตามลําพังมันอยู่ได้ยังไงเนี่ยไม่มีอะไรเลยอะมีความเศร้าโศกบ้างไหมมีความเพิดเพลิน บ้างไหมบางทีเนี่ยจิตมันอยู่คนเดียวมก็เพลินได้นะบางทีก็เศร้าโศกเสียใจซึมเศร้าเงางงวยก็ได้เนี่ยฟุ้งซ่านคิดนึปฟุงแต่งไปก็ได้เทวดาก็เลยมาถามพระพุทธเจา้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญเนี่ยพระองค์อยู่ในป่าองค์เดียวเนี่ยมันมีไหมความเศร้าโศกความเศร้าหมองความอ่างวังว้าเวหรือว่าความเพลิดเพลิน อะไรเนี่ยมีไหมพระเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนท่านผู้เป็นเทศเราไม่มีความเศร้าโศกเราสูญเสียอะไรเราจึงต้องไปเศร้าโศกพระเจ้าตอบไปเลยแล้วเราได้อะไรมาเราจึงต้องไปเพลิดเพลินกับมันอันนี้ท่านตอบตอบนันสภาวะของจิตนะ จะเป็นโยมเนี่ยข้างนอกอ อ, อาจจะได้อาจจะมีนูน่นมีนี่ได้ไม่ใช่ว่ามีไ ม, ม่ได้นะแต่ว่าภายในจิตใจเนี่ยมันไม่ได้ไปเพลิดเพลินไม่ได้ไปเศร้าโศกเสียใจหมายว่าจิตใจนี่มั่นคงอยู่จิตใจเป็นอุเบกขาอยู่มีสติรักษาใจอยู่เนี่ยหมายความว่าอย่างเนี้ยเราสูญเสียอะไรไปเราจึงต้องเศร้าโศก คือจิตมันไม่ยึดอะไรแล้วมันไม่ติดไม่ค้องอะไรแล้วมันไม่ได้สูญเสียอะไรแล้วเราได้อะไรมาเราจึงเพิดเพินก็คือภายในจิตใจเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปยึดไปติดไปคล้องอะไรได้มามันก็ไม่ได้เพิดเพินไปใจก็เป็นปกตินี้พระเจ้าตอบสภาวะของจิตใจใจริงๆว่ามันมีได้ เราไม่ยึดไม่ติดไม่ค่้องมีเพื่อเอามาใช้ประโยชน์มีเงินก็มีได้มีข้าวมีของอะไรที่เป็นประโยชน์เราเอามาใช้ประโยชน์แต่ไม่ใช่ไปกังวลกับมันไปเป็นทุกข์กับมันการให้ทานก็ให้ผลการบูชานึกถึงคุณของมิ่งภูมีพระคุณให้ผ ล, ใ ห, ผลให้ผลดี มีอานิสงส์ต่อชีวิตเราต่อไปปัจจุบันและก็ต่อไปด้วยโภพาปาศัยกันทักทายกันยิ้มแย้มให้การชักชวนกันทาบุญทาคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนามีคุณมีอานิสงส์อย่างเช่นเข้ามาทอดพระป่าอย่างเงี้ยมันก็จัดเข้าในข้อนี้ได้ แต่ก่อนนะไม่มีจริงๆผ้าป่าเนี่ยมันเป็นแค่ว่าพระคนต้องการผ้าก็เข้าไปในป่าไปบางสกุลเอาผ้าหอ่อศพบางผ้าที่เขาทิ้งก็เอามาเย็บเป็นจีวรต่อมาคนเห็นว่ามันลําบากอย่างนั้นเขาก็เอาไปผ้าต้นไม้ทําให้เป็นที่รู้ว่าให้ไปบางสกุลอะไรเงี้ยพ้าก็บางสกุลเอาต่อมาก็ไม่ต้องไปเอามาให้ที่วัดมีสั ญ, ญลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นผ้าป่า บางสกุลเอาแต่เวลามาก็มีของมีอะไรติดมาด้วยข้าวปลาอาหารบ้างเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันเป็นบริวารของผ้าป่าไปมีผ้าแล้วก็มีของพวกนั้นเนี่ยต่อมามันก็มีเงินเพื่อที่จะให้ผู้ใดนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่วัดต่อมาก็ไอ้ผ้านี่หมดความจําเป็นไปแล้วมันก็เหลือแต่ว่ามาสามัคคีกันทําความดี มาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็อาศัยพิธีกรรมที่เรียกว่าภาพป่านั่นแหละมาทำประโยชน์ใช่แต่ภาพปานี้เป็นพิธีกรรมกลายเป็นพิธีกรรมมันไม่ได้ให้โทษหรือให้ประโยชน์ในตัวของมันเองขึ้นอยู่กับผู้ใช้ทำให้มันเกิดประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ทำให้เป็นโทษก็เป็นโทษถ้าแสวงหา ข้าวของเงินทองใส่กระเป๋าเป็นช่องทางทำมาหากินมันก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าหาว่าเออเอามารวมกันแล้วทำประโยชน์แก่พระาศาสนาอย่างเนี้ยมันก็เป็นความดีอย่างหนึ่งเหมือนกันพิธีกรรมหลายอย่างบางทีก็ถ้ามันใช้ในทางผิดๆเนี้ยมันก็เกิดเป็นโทษแต่ถ้าหาว่าพิธีกรรมบางอย่างเนี้ยมันมีประโยชน์ มันมีคุณก็ได้อย่างทำวัดเช้าทำวัดเย็นอย่างเงี้ยที่จริงต่างคนต่างทำก็ได้แต่เอามารวมกันทำเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีโอกาสได้ฟังธรรมกันเป็นระบบขึ้นมาคนอื่นที่เขาอยากฟังธรรมเขาก็รู้เวลาวะเขาอำถึงเวลามาทำวัดทำวัดแล้วก็ฟังธรรมึันก็เป็นระบบขึ้นมามันก็เป็นพิธีกรรมอันหนึ่งแลวก็เป็นประโยชน์ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนที่ทำกรรมดีอะไรก็มีอานิสงส์เนี่ยถ้าเชื่ออย่างนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิโลกหน้ามีจริงมนุษย์เราคนเราถ้าตายไปแล้วก็อาจจะไปเกิดเป็นอย่างอื่นเป็นเทวาดาบ้างเป็นพรมบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเนี่ย นี่เรว่ามีความเชื่อยอย่างนี้ก็เป็นสมาธิโลกนี้ก็มีจริงหมายความว่าสัตว์อื่นก็มาเกิดบนโลกนี้ได้สัตว์ต่างๆอย่างเนี้ยมาเกิดโลกนี้ได้โหตอนนั้นฮืออามากเลยนะไปนครปฐมก็เล่าให้ฟังมันมีคนหนึ่งอะ่ะเขามาออกทีวีเป็นเด็กนะร้องเพลงเพราะมากเด็กคนนี้ปรากฏว่า เขาติดตามคือมันร ล, ลึกชาติได้ก่อนที่เขาจะมาเกิดเป็นเด็กเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขามีแฟนสองคนเสร็จแล้วเขาไปเลือกอีกคนนึงตัวเองก็เสียใจเลยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็ไปตกนรกไปเป็นเปรตอยู่ระยะหนึ่งในใจเนี่ยคิดอาฆาตให้ผู้หญิงคนที่แย่งผู้ชายไปเนี่ยเขาจะต้องตาม ฆ่าให้ได้ต่อมาก็เป็นวิญญาณเข้ามาสิงมาสิงผู้หญิงคู่กระีนั่นแหละคู่แข่งที่จริงไอ้แฟนผู้ชายนี่ก็เ ล, เลิกกันไปแ ล, ะละ้วล่ะแต่มันจะเอาให้ตายแม่ของผู้หญิงก็เลยเอาใจทีนี่เวลาวิญญาณนั่นมาสิงอะ่ะอยากกินอะไรก็เอาให้กินกินข้าวเป็นกระมังเลยนะกินไก่นี่เคี้ยวทั้งกระดูกเลยตองติคนเนี่ยกินชา้าช้ากิน น้อยๆเพราะเขาเป็นคนอ้วนอยู่แล้วแล้วก็เวลามาสิงก็ชอบร้องเพลงชอบรักสวยรักงามชอบชอปปิ้งอะไรเงี้ยเขาก็ตามใจนะตามใจมาสิงอยู่สองสามวันเขาไปต่อมาก็เลยพอใจขึ้นมาว่าครอบครัวนี้ดีมากก็เลยอยากขอมาอยู่ด้วยต่อมาเขามาชอบน้องชายของผู้หญิงคู่แข่งด้วยนะ ก็สิงล่างนั่นแหละแล้วก็ลำพึงลำพนานบอาโอ้ oh, รู้อย่างนี้ไม่ข่าตัวตายดีกว่ามาแต่งงานกับคนชื่อนี้ดีกว่าอะไรอย่างนั้นน่ะแต่น้องชายเนี่ยเขาก็รู้ว่าเนี่ยเป็นวิญญาณนั่นนะ่ะเขาสิงสุดท้ายน้องชายเขาแต่งงานแต่งงานปั๊บเนี่ยพอเริ่มจะตั้งท้องเนี่ยปรากฏว่าวิญญาณอันนั้นนะ่ะมาหาบอกว่าเนี่ยอยากขอมาอยู่ด้วย แม่ผู้หญิงก็เลยบอกว่าถ้ามาอยู่ด้วยต้องเป็นคนดีนะไม่คิดร้ายแม่คิดทําลายไปเขาบอกเขาดีแล้วเขาพอใจแล้วเพรครอบครัวนี้นดีต่อเขามากังนั้นตกลงมาอยู่ด้วยก็ได้แล้วทํายังไงยื่นมือมาระหว่างนั้นนะตอนนั้นเข้าสิงอยู่นะจับมือผู้หญิงคนนั้นแล้วก็วูกไปวูกเข้าไปที่ล่างคนนั้นแล้วก็หายเงียบไปเลย จนคลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุสักสี่ขวบโอ้ยร้องเพลงเพราะมากเลยนะร้องเพลงเนี่ยโอ้ยเหมือนผู้ใหญ่ร้องเสียงไพเราะสามารถชนะการประกวดร้องเพลงบ่อยๆแนีวยถ้ามีใครไปถามว่าหนูจะเป็นคนดีไหมเป็นคนดีอย่างนี้เลยนะยืนยันเลยนะเนี่ยคือชาติก่อนเนะี่ยที่เขาเป็นวิญญาณนนะ่ะเขาสัญญาไว้แล้วว่าเขาจะเป็นคนดี พอมาเกิดเป็นคนเนี่ยไอความรู้สึกอนันฝังอยู่ในใจเขาโตขึ้นมาเขาก็ลืมนะเขาก็จําอะไรไม่ได้นะแต่ตอนเล็กๆอยู่นะเขาจําได้หมดเป็นคนชื่อนั้นชื่อนั้นบ้านอยู่ตรงนั้นเขาตามไปดูก็มีจริงๆอะ่ะห้องที่เขาฆ่าตัวตายก็ยังอยู่เลยนะไม่มีใครไปอยู่ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นน่ะโลกนี้ก็มีจริงโลกหน้าก็มีจริง คุณของพ่อมีจริงคุณของแม่มีจริงให้ตอบแทนคุณพ่อแม่ก็มีอานิสงส์มาใครเนรคุณพ่อแม่ก็มีโทษมากอันนี้ก็เป็นสมาธิทิใครเชื่อว่าโอปปปฏิกะมีจริงผีปีศาจมีจริงเทวดามีพรหมมีเนี่ยเป็นสมาธิิถ้าใครไม่เชื่ออย่างนี้เป็นมิจฉาทิฐิผมถามเยอะนะบางทีไปบางแห่งผีมีจริงหรือเปล่า เคยเห็นไหมเนี่ยเขาถามมีการเห็นมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะแต่มันต้องสัมผัสได้ต้องรู้ได้เวลาพวกนี้มาเกี่ยวข้องถ้าหาว่าสัมผัสได้มันก็มีปัญหาอะไรมันก็รู้เข้าใจอ๋อมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันต้องเกี่ยวข้องกันมันก็อยู่ร่วมกันไป เราเกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามคาสอนของพระพุทธเจ้าก็มีประโยชน์แต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นเขาไม่รู้แล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขัดเก้ากิเลตเป็นพระรยาเจ้ามีจริงเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายความเห็นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความสาคัญมากถ้าใครไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือพระอรหันต์มีจริงอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยอันนี้มันทำให้อยู่ในโลกมีความสุขเนี่ยต้องตรวจสอบความเห็นของเราให้ถูกต้องด้วยนอกจากนั้นความเชื่อความเชื่อที่มันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอะความเชื่อแนวโลกุตละความเชื่อที่มันสอดคล้องกับความจริง ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ชั่วคราวอ่ะแล้วมันต้องแตกดับสลายไปถ้าว่าจิตของเราเนี่ยยอมรับขึ้นมาเนี่ยเนี่ยคือจิตเรามันเชื่อมันเป็นความเชื่อเป็นความเห็นที่มันสอดคล้องกับความจริงหมายถึงความจริงเนี่ยชีวิตเราก็อยู่ชั่วคราวจริงๆมันรอวันเวลาที่จะแตกดับสลายไปแต่ถ้าจิตมันเชื่อนี่บางทีโอ้ยมันวางลงไปเลยนะ นี่เรียกว่าธรรมะเนี่ยมันก็มีผลทำให้จิตใจเราสบายได้หรืออันนี้เรียกว่าปัญญาเนี่ยมันมาอบรมจิตเนี่ยทำให้จิตของเรามีความสบายได้บางทีคิดอะไรมากๆบางคนโอ้ยนึกถึงความตายขึ้นมาเราก็ตายขเขาก็ตายเนี่ยมันเบาไปเลยนะตอนไปแสดงธรรมเราก็บอกเออเขาก็ตายเราก็ตายมีอะไรขึ้นมามึงก็ตายกูก็ตายเอาอยู่อย่างเนี้ย พอเทศจบมันก็มีคนหนึ่งเขามาบอกโอ้ยแค่คำนี้ยมันถึงใจเขามากใจเขากำลังมีปัญหามีความทุกข์กำลังมีความโกรธเคืองอยู่พอมีแต่ตาย เ, าเขาก็ตายเราก็ตายมึงก็ตายกูก็ตายมันมีน้ำหนักในจิตเขาเบาเลยเขาว่าแก้ปัญหาใจได้อันนี้คือยอมรับความจริงมันเป็นความจริงมันสอดคล้องกับความจริงความคิดอย่างเนี้ยความเห็นอย่างเนี้ยมันก็ทําให้ จิตใจเราเบาสบายได้แต่ทีนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยเรามามีสติควบคุมจิตใจอันนี้ถ้าเทียบกับบุญแล้วเป็นบุญที่พระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าประเสริฐมากมีกาลังมากมีอนุภาพมากที่จริงทำบุญทำทานทำความดีต่างๆอย่างเรามาช่วยงานวัดช่วยกันเนี่ยเป้าหมายจริงๆนี่เพื่อใจเรา หายใจของเราเนี่ยมันได้รับการชําระการได้ทําความดีเนี่ยมันมีอานิสงส์มีอานุภาพมันมีคุณต่อจิตใจของเราเองสติว่ารักษาจิตใจได้ง่ายใจเบิกบานใจมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความสงบใจเป็นสมาธิเนี่ยมันเข้ามาหาใจทีนี่นั่นบุญที่สําคัญที่สุดก็มาหาใจเป็นสมาธิจนจิตใจทั้งมั่นใจมีปัญญายิ่งถ้ามีปัญญาเห็นชีวิตเราเนี่ย มันไม่มีอะไรเลยอ่ะนะสมมุติว่าเป็นเราเฉยๆเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเห็นอยู่ภายในเห็นด้วยปัญญาญาณอันนี้ยิ่งมีอา น, นิสงส์มากเนี่ยทางดำเนินของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้คำสอนพระพุทธเจ้าก็เพื่อให้เรามารู้ความจริงเพราะนั้นการที่เราได้ช่วยเหลือวัดก็เป็นท่านอย่างหนึง่งแล้วมันก็เป็นธรรม หมายว่าใจิตใจของเราเนี่ยมันก็เข้าหาธรรมมันก็มีเหตุมีผลขึ้นมามรู้อะไรควรไม่ควรอย่างเงี้ยมันก็เลยได้ฝึกหัดตัวเองฝึ ก, กจิตใจตัวเองเอาของจริงเลยอะ่ะเวลามีอะไรเกิดขึ้นมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยดูใจเราอะมันเป็นยังไงยิงคนเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้โหใจเราเป็นยังไงนะ่ะคอยสังเกตมันก็ต้องมีบ้างนะปฏิยาในจิตเราเนี่ย แต่ว่าถ้าหาว่าจิตของเรามันเข้าใจในเหตุผลเนี่ยอย่างที่ว่าเออเขาก็มาชั่วคราวเขาก็ตั้งใจมาทำบุญนะตามฐานะของเขาเราก็แค่ว่าเออทำยังไงมันมันลงตัวเสียทำยังไงมันสบายใจถึงมันจะมีข้อบกพร่องบ้างก็เป็นธรรมดาของการของงานนะเวลาเราทำงานทำการอะไรสักอย่างก็มีบ้างแต่อาศัยว่าเราเตรียมอย่างดีเนี่ย พอโบกเคร่งก็น้อยมันก็มีความลงตัวมากแต่ถ้าเราเตรียมไม่ดีนะเป็นปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไงด้วยพราเราเตรียมตัวไม่ดีถ้าเตรียมตัวเอาไว้อย่างดีเราก็คาดการไว้เออว่ามันจะยังไงยังไงเนี่ยถ้าอย่างนี้มันก็มีความลงตัวมากปัญหาก็น้อยแต่จะไม่ให้ไม่มีเลยไม่ได้หรอกปัญหาถ้าทําอะไรก็แล้วแต่ มันก็ต้องมีบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของการของงานเราก็เรียนรู้ศึกษาไปที่สําคัญจิตของเราเนี่ยว่ามันได้อาศัยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาฝึกจิตใจเราไหมใจเราเนะี่ยมันมีตัวมีตนขึ้นมาไหมบางทีทําความดีแต่มันไปติดดีนาะไปยึดดีเราดีเราเก่งเรามีความสามารถ เรามีความสําคัญนี่มันติดดีนะเนี่ยก็อยากให้คนเขายกย่องสรรเสริญอยากให้เขาขอบคุณอยากให้เขาเห็นความสําคัญเนี่ยมันก็ไปเพิ่มตัวตนแล้วนะทีนี้เพิ่มกิเลส ข, ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมารู้เท่าทันเลยอยากอวดอยากแสดงออกหรืออยากข่มคนอื่นอยากมีอํานาจทําดีเนี่ยมันเพื่อขัดเกาตัวเองอะ่ะบุญคือการชําระใจต้องมาชําระใจเราทําความดีเป็นบุญก็มาชําระใจ ลดตัวลดตนลงไปอันนี้มันถึงจะตรงนะคำ น, นั้นเยอะเลยนะทำดีแล้วก็โอ้ยอวดดีกันนะหงเอาไปคุยเอาไปโอ้ไปอวดในขณะที่พูดความดีของตัวเองเนี่ยมันมีมานะแทรกอยู่ในนั้นนะอติมานะคือความมีตัวมีตนนะแล้วก็จะดูถูกคนอื่นด้วยนี่มันต้องได้ระวังนะ บางทีก็หูุศีลำคาญมีตัวมีตนพอมีความสําคัญปั๊บพอไม่ได้ใจอาการก็ออกนี่เราต้องเข้ามาศึกษาจิตเราด้วยมาควบคุมจิตเราด้วยนี่ถ้าหาว่าเราดูอยู่เนี่ยเห็นอาการของจิตเราโห้เนี่ยเนี่ยดูสี่ตัวร้ายมันอยู่ที่นี่เองเนี่ยเนี่ยเห็นแล้มัวแต่จะไปดูข้างนอกไปเพ่งข้างนอกไปโทษข้างนอกที่แท้เนี่ยตัวร้ายเนี่ยตัวร้ายเนี่ยมันอยู่ในจิตเรานี่เอง มันกำลังแสดงดูดลายอยู่เพราะเราเห็นแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะดับไปเห็นแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดว่าเป็นเราด้วยนะห้ามมันก็ไม่ได้เพราะนั้นเราก็รู้ว่าอ๋อเป็นแค่อาการของจิตถ้าเรารู้เป็นแค่ความคิดเป็นแค่อาการของจิตเนี่ยมันจะเบามันจะรอเวลาดับไปแล้วแต่ถ้าคิดว่าเป็นเราอู้ตายแล้วเราขึ้นแล้วที่นี่เราตามมันไปแล้วมันมีอิทธิพลต่อใจเราแล้วมันมีกาลังเหนือเราแล้ว มันมาเป็นเราแล้วมันครอบงําใจเราได้แล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็โอ้มันดับช้านะทีนี้แต่ถ้าเห็นมันโอ้นี่ยมันเป็นอาการมันเป็นแค่ความคิดนี่นาหรือเรียกว่าเจตสิกก็ได้เป็นสังขารอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเนี่ยคือเห็นไม่ใช่เราแล้วถึงมันยังไม่ดับไปมันก็รอเวลาจะดับไปอย่างนี้มันจะมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปถ้าหาว่าใครเนี่ยสามารถตามจิตได้นะ S <S <an> <S เห็นอาการของจิตเหล่าเนี้ยนี่แหละแสดงว่าคนนั้นน่ะจะเจริญก้าวหน้าแล้วปฏิบัติธรรมก็มีความเจริญก้าวหน้าแล้วเพราะเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราสังขารเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าอาการของจิตจะแสดงอะไรออกมาเราเห็นว่าโอ้มันแค่สังขารเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความรู้สึกทางกาย เกิดข <rane S 2> ึ้นก uh, ็เออสัพตะวเวทนาทางกายเวทนาทางจิตก like. ็ม so ีด้วยอย่างมันทุกข์อย่างเนี้ยเนี่ยก็มองในแง่ของเวทนามันก็มีเวทนาทางจิตหรือดูอาการของจิตอย่างเนี้ยมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์เนี่ยจะมองในแง่ของอาการของจิตก็ได้มองในแง่ของเวทนาก็คือมองในแง่ความรู้สึกว่ามันรู้สึกยังไงขึ้นมาสรุปแล้วก็คือเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตฝึกใจเราด้วยแล้วก็เราทําอะไรก็ตามก็อาศัยหลักธรรมของมูทเจ้าเป็นหลักในการ ด, ดําเนินหมายว่าเรายกธรรมขึ้นมาให้มันเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ปัญหาก็น้อยลงไป พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระโกซึ่งเป็นผู้ใกลชากิเลสสำมาสัมพุทธะกระสือโชกได้โดยพระองค์เอง